นี่ไงถ้าไม่มีการเกิดแล้วจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมของสัตว์นี่เรามันลืมมันหมดไงมันลืมคิดไม่ออกแล้วมาวิจัยเป็นทุกขศาสตร์ไม่ได้พระเจ้าสอนทุกขศาสตร์แบบนี้ใช่ปัจจุบันอารมณ์ไหมเนี่ยไม่ใช่เลยอดีตอารมณ์เนี่ยเนี่ยเป็นอดีตอดีต ท, ที่เราได้ประสบและอนาคตที่จะต้องไปเห็นปัจจุบันที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าคิดเป็นปัจจุบันในชาติเนี่ยมันได้ ในปัจจุบันนึงปัจจุบันในการที่ยาวนานภายในปีนี้เตอภายในสองปีสามปีสิบปีอะไรมันได้อัธยานะมันได้ซึ่งก็ให้ได้ปัจจุบันในชาติเนี่ยแต่บอกแน่ดีตชาติก็เป็นแบบเนี้ยอนาคตชาติที่เราจะต้องไปเกิดก็จงเจอแบบเนี้ยแต่แล้วปัจจุบันใชาติเราเจอถึงเจอแบบนี้ถ้าในวิจัยแบบนี้รู้เปล่าวิจัยทุกอะทนายวิจัยลักษณะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันมันจะเข้าใจวิจัยจนถ่ายถอนเายโยม จนเห็นว่าโอ้โหมันเป็นทุกหน้าหน้าสยดสยองนักก็คือถ้ารู้ว่าตนเองจะไปเกิดเนี่ยกลัวเลยอะ่ะเหมือนพระเตมีใบอะ่ะใช่ไหมนั่นแหละท่านกลัวนรกเลยอะ่ะไม่พูดเลยอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละมันจะมันมันมันสะเทือนขนาดนั้นอะ่ะสะดุ้งสะเทือนอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละมันจําฝังใจเลยนะแต่คนบงคลเนี่ยเนี่ ไอ้ น, นี่เรามันไม่ค่อยฝังใจกันเลยเพราะมันล่าเริงยินดีในการเกิดใช่ไหมไม่ได้เห็นทุกข์เลยท่านแค่เห็นจริงพู้นนี้พะ อ, อเห็นไหมใช่ไหมดูเหมือนกลตัวใช่ไหมทั้งๆที่ตัวเองผ่านมาแท้ๆไหมท่านต้องตําหนิอะไรท่านรู้ไหมโมหะมีร้ายกาจนะทั้งๆที่เรื่องห ย, ยาบๆแค่นี้ยังวิจัยไม่ได้ เรื่องแค่เนี้ยังวิจัยไม่ได้แล้วเข้าถึงไม่ได้แล้วเห็นทุกมันไม่ได้เห็นคนเกิดก็เห็นเห็นคนท้องก็เห็นเห็นคนทรมานก็เห็นเห็นคนทำแท้งก็เห็นเห็นเยอะแยะหมดแค่นี้เราบอกไกลตัวเราหมดเลยเราบอกโมหะนี่หยาบช้าแท้ปัญญาไม่เคยทากิจในการวิจัยเข้าถึงคาสอนเลยพอดีจะเข้าถึงคำสอนยากแสนเข็ยนแต่ว่าเราเรื่องในรักเนื้อความหลงนี่ชำนานนะบอกนะ บอหัวโมหะของสต์โลกนาังเกียรนี่ย เคยเป็นแล้วจะต้องไปเป็นเคยเป็นแล้วจะต้องไปเป็นเนี่ยที่ที่เขาโดนทุบโดนตีโดนฆ่าเนี่ยเราเคยเป็นและเราก็จะต้องไปเป็นแต่ท่านยังปราศจนาการเกิดมันคิดบ่อยๆถ้าคิดสักประมาณสักลอยครั้งไม่เห็นคิดสักพันครั้งแ้ท่านจะเข้าใจคนเขาตรึกเขาไข้ควรเขามาเคยเป็นเนี่ยมันเคยเป็นจริงจ สิ่งที่เราเห็นนั่นคือสิ่งที่เราเคยเป็นครับว่สิ่งที่เราเห็นนั้นสิ่งที่เราเคยเป็นเราเนี่ยเคยสั่งฆ่าคนมาอย่างมากมายในสังสารวัตรแล้วก็เคยถูกฆ่ามาอย่างสังสารวัตรแล้วก็จะต้องไปสั่งฆ่าคนอื่นแล้วก็จะไปถูกฆ่าอยู่ทนคิดแค่นี้เพราะท่านจะเข้าใจทุกข์มันเป็นอย่างนี้ เนี่ยเราดูดเนี่ยเหมือนเราเป็นคนใจดีกันเพราะมันยังไม่ได้เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะกลายเป็นผู้นาที่ชั่วที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะถ้าได้เหตุปัจจัยอุ้หน้ากลัวสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยลองทีลองไปอยู่ในเหตุปัจจัยที่มันจะต้องไปทําบางอย่างดิมันไปกับเขาหมดเลยลองไปนั่งประชมุมคนนั้นเห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนั้นเออดีด้วยเพว่าประชุมกันแล้วแล้วเราเราตัดสินใจ สารพัดวางแผนฆ่ากันมันเป็นอย่างนี้ทั่วไปในสังสารวัต ส, สัตว์เดรัจฉานก็ฆ่ากันทช่มนุษย์เกิดมาก็ฆ่ากันเนี่ยก็ลองคิดดูอ่ะขนาดพระเจ้ามันทาทุลาชไปบนสวรรค์ยังคิดฆ่าท่าสกัดมันบนบนสวรรค์ก็คิดปองร้ายกันขัดแย้งกันทะเลาะกันเพราะไอ้อิสามัฉรญาะเนี่ย สัตมันฆ่ากันทุกพบแหละมันน้อมที่จะเบียดเบียนกันทุกพบเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ปรารถนาดีกว่าการปรารถนาความไม่จองเวรกันเนี่ยอยากจะสามัคคีกันนี่แหละแต่อะไรน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายฆ่ากันอิสานั้นไม่เฉลี่ยเข้าใจใช่ไหมสัตว์มันออกไม่ได้สัตว์มันออกไม่ได้ในกรณีเงี้ยสัตว์ที่ในลักษณะเนี้ยของเผ็ดของเย็นต่างๆที่อยู่ในขันกระแสนไปทั่วสัพพพางนะ เหมือนกับคนที่ต้องอาชญายนะเนี่ยหรืออย่างนี้ให้เห็นชัดท่านออมามึงบอกว่าแหล่เนื้อเอาเกลือทาอนั่นแหละนั่นแหละทุกที่เราเจอพ่อแม่เออแม่กินของเผ็ดของร้อนเนี่ยกินของเค็มเหมือนแหล่เนื้อออกแล้วเกลือก็ไปทาเลยอย่างนั้นน่ะทรมานอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหก็ร่างกายไม่เคยอยูุ่บถูกเกลือถูกอะไรต่างๆเลยถูกของเผ็ดของเค็มเลย อันนี้ขนาดภัยที่โดนโดนแม่โดนอะไรต่งางๆเพราะกินเพราะความหิวใช่ไมกินเพราะความหิวตรงนั้นลักษณะอย่างนั้นสวยทุกเวทนาอย่างแสนสหาหัสทุกนี้ชื่อว่าอับคาผ้าปริหารมุ ร, ระกะทุก์อันนี้เป็นทุกประการที่สองเนาะประการต่อมาก็คือในกรณีที่อยู่ในคันนั่นนะในขณะที่อยู่ในคันของแม่เนี่ย กรณีทั่วระยะเขาจะคลอดขึ้นมาเนอะเสีนลําบากเลยทีนี้ผ่าไม่ต้องพูดถึงเนาะมันผ่าเพราะขวางคันแพทย์ก็จับหักบางทีก็แน่แหละสารพัดถ้าสมัยโบ ร, ราณได้รู้เสีนลําบากมันออกไม่ได้นะขวางคันเนี่ยผ่าก็คุยเยอะก็จะรีดเน่ยรีดไปรีดมาหัวก็แบนเด็กบางคนหัวบี้แบนเลยฮนะบางคนดึงจนจนขาเสียเลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยลักษณะเงี้ย คือพยายามจะเอาเอาหัวออกก่อนอย่างนี้แล้วก็เอาขาโผล่มา ก, ก่อนต้องดันก็ไปใหม่บางทีใช่ไหมที่ออกมาขาเดียวอย่างนี้ไปด้วยนี่ยมันเกิดมันกรณีอย่างเนี้จะออกผิดพลาดอยู่เรื่อยใช่ไหมก็ดันก็ไปใหม่โอ้เสีนทรมานต้องดันขึ้นดันลงคิดด้วยนี่หนะึ่งลักษณะอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์มากเป็นความทุกข์นะก็เรียกว่า การนอนขวางอยู่ในครันของแม่แล้วเนี่ยก็ต้องจับชักลากออกมาเขาเรียกว่าคับพระวิปัติมูรากทุกจะเป็นความทุก์ในการที่จะต้องถูกกระทำนะให้วิบัติต่างๆเลยเนี่ยบางคนพิการเนี่ยนะมาเคราะห์มามาพิการตรงตรงคลอดอยู่ในท้องไม่ต้องพูดถึงมางดีกตาเสียหูเสียจมูกเสีย บางทีก็มีการพิคุงพิคการต่งตางๆแขนขาต่งตางๆเป็นต้นฉะนั้นเมื่อกำมะชะวาดลมกำมะชะวาดกลับกลับทั้งหลายเนี่ยเนะีะเขาบอกว่าโอ้โหช่วงเนี้ยกรณีที่กลับเอาหัวลงเนี่เนะี่ยเขาบอกว่าเพื่อจะออกทางทวารมุกเพื่อจะออกทางไอ้ที่มันดาจะคลอดออกมาเขาบอกว่าเหมือนในเหมือนตกลงในหิวเหมือนตกลงในหิวคือ ลมมันปั่นใช่ไหมลมมันปั่นปว่วนมันหมุนเนะ่ะเหมือนพายุอ่ะนะพายุที่มันปั่นจนสามารถกลับหัวกลับหางได้ชอบกลมแรงไหมล่ะลมไม่ใช่เบาๆนะใช่ไหมในกรณีที่ลมยากจากนั่งอยู่อย่างเงี้ยหมุนหมุนกลับหัวได้เนะี่ยโอ้โหลมต้องแรงมากเนียนะนะไอ้เขาเรียกลมกำมะฉาวะไอ้กำนะั้นเน่ยมันทําให้สัตว์นะั่นเะนี่ย เหมือนกับว่าบุคคล น, นั้นอะตกไปในเหวลึกได้ร้อยชั่วบุรุษสุดแสนที่จะพิลิกพิลั่นสะดุ้งกลัวตกใจหวาดวันอย่างมากเลยปกติที่เคยโดดไปนั่นมามันแค่นี้ไงไม่เคยกลับเอาหัวขึ้นหัวลงเลยใช่ไหมอันเนี้ยหมุนกลับด้วยแล้วข้างในด้วยการเบียดเสียดด้วยนะแล้วเจ็บปวดข้างในเจ็บปวดมากการกลับข้างในอ่ะมันไม่ได้กลับไปตามสภาพทัปกติอย่างเนี้ยเนี่ย นี่ยมันกลับพลิกอย่างนี้เลยลองคิดดูแล้วมันคูดกับไอ้กับท้องแม่ข้างในอ่ะใครเคยตกมอไซด์ไหคูดไปกับถนนไหมไม่เคยเนาะมันมีคนคนหนึ่งนะถ้ามันเมาแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะมันเมาเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องมันขับนั่งมอไซด์ไปเนี่ยเท้ามันกรหลุดจากที่นั่นนิ่มไปกระทางลูกหลังมันก็คูดไป ไปจนถึงบ้านนี้ก็เมาเกาะไปไงโอ้โหไปถึงที่บ้านเท้าเท้ า, ทาไปหมดแล้วนิ้วเนื้อขาดหายไปก็มีไปว่าเมาจั ด, จดก็เมาจัดมคีคนคนพอไปพอการพอสา่างไปหน่อยร้องอยู่นั่นเนยลยร้องแทบตายอย่างเงียแต่จริงๆริอะเห็นไหมเนะ่ย อันนี้กรณีที่โคตรเมื่อทารกออกจากท้องของแม่เนี่ยนะถ้ามาพิจารณาจากจุดแรกก็คือว่ากรณีที่การออกเนี่ยท่านบอกแสนที่จะเขาบอกช้างอ่ะช้างสารที่ออกจากช่องดานที่เล็กๆนะในสังคาตานรกนี่นะเป็นนรกที่เป็นภูเขาที่มันจะคอยหนีบสัตว์เนี่ยให้ละเอียดสัตว์ทั้งหลายเวลาออกจากคันออกจาก ที่ว่าทวารมุของแม่นั่นแหละเหมือนช้างอะออกจากช่องดานเล็กๆทรมานมาถ้าอย่างมันก็คือร้องแต่มันร้องไม่ออกมันมีอะไรอุดอยู่สุดเสียงเนี่ยถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเหมือนเอาผ้ามากัดเขาไว้เนี่ยแล้วคนเขาผ่าตัดแบบไม่ต้องมียาชา อุดปากก็ร้องร้องสุดเสียงน น, นั่นแหละไม่มีความเจ็บอะไรยะมากเท่ากับกองเจ็บตอนคลอดออก ท, ที่ว่างั้นเจ็บมากแต่มันร้องไม่ออกมันอุดปากกันไว้มีอะไรอุดเต็มครับอุดเต็มเด็กมันร้องไม่ได้สันเทิ่มเลยทรมานมากแต่ลืมหมดใช่ไหมเนี่ย ลืมห่ใช่ไหมนึกไม่ออกนึกไม่ออกอันนี้แค่ับพลาชาตียิกะมูละกะทุกประการต่อมาคือว่าในกรณีที่ออกจากคันของแม่แล้วเนี่ยบรรดาที่มารดาก็ดีหมอก็ดีเนี่ยเอามือลับหรือให้ตกใส่แะ้วก็ได้เอามือจับโอ้โหเหมือนค น, คนละคนละคนละลักษณะคนละสัมผัสเลย ทุกนะั้เหมือนเหมือนถูกเอามีดที่มีคมเชือดหรือเหมือนกับเข็มแทงอย่างแรงพวกนั้นนั้นทุกนะั้นน่ะเหมือนกับถูกแทงด้วยเข็มหรือเชือดด้วยมีดที่คมเจ็บปวดไปทั่วสะพางเลยจับเด็กบางคนร้องร้องได้เอาเลยออกจะร้องบางคนนี่จนขนาดสลบไม่ร้องเลย ต้องมาเขยา่ามันดีกให้มันร้องเอหี้ยโอ้โหเนะี่ยแท้จริงมันน็อกเวนะ้ยเนี่ยมันเจ็บจนน็อกอนะ่ะเข้าใจไหมเจ็บจนน็อกอนะ่ะใครเคยเป็นไหมหเจ็บจนน็อกเนะี่ยยังไม่เคยอก็ไม่เคยมาแล้วก็ตอนเกิดนั่นแหละมันเจ็บจนน็อกนั่นแหละทุกนั้นก็เรียกว่าขคาภาณิกะขมนะมูระกทุกจัดเป็นทุกข์ที่ประการที่ห้า ต่อมากรณีต่อมาก็คือจำเดินเด่ทารกน่นเจริญวัยเป็นต้นมาแล้วบางทีปุพกรรมต่างๆเหล่านั้นก็ติดตามมาต้องโทษต้องอัจฉรยเป็นต้นเหล่านี้นะมีการถูกทุบถูกเขี่ยนดูคฆ่าถูกตีในที่สุดจริงๆก็คือว่าบางครั้งแล้วก็ทำตัวเองเนาะทำอัตตานิบาตกรรมคือการฆ่าตัวตายบ้างกินยาบ้างปุิสลายตัวเองบ้างสาสรสารบุญคนเนี่ยเริ่มนะ ด้วยกรรมที่ตนเองทํามาเป็นผู้ที่เบียดเบียนตนเองเป็นปกติก็กลายเป็นเด็กขี้โมโหตัวเล็กันะนะครับนะครับก็ะทบตีตัวเองบ้างอะไรต่างๆอ น, น, นี้ไม่ได้ดังใจก็โดดบ้างดิ้นบ้างทําให้ตัวเองในลําบากสารพาัดเคยเจอไหมละ่ะพอเกิดไม่ได้ได้ดังใจก็ถีบเลยปบปบร้องอย่างนั้นแหละอัธยาสัยเป็นคนขี้กโกรธไม่ขี้โกรธมาได้ไงไหมอัธยาศัยทุกในภพที่อื่นได้วยปัจจุบันที่ตอนอยู่ในท้องของคุณแม่เป็นต้นเลยสารพัด นั้นทุกที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเจอสัตร์าของผู้อื่นบ้างต้องประหารถูกปากถูกตีถูกทุกจากการที่คนอื่นเป็นต้นเออเป็นป ร, รูปปกกามูรกระทุกเป็นต้นอะเนี้ยทีนี้กรณีความทุกข์ต่างๆเราเนี้ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ที่ท่านพัฒนาไว้ตรงเนี้ยนะแบบย่อๆตรงเนี้ยท่านก็บอกทุก์ที่เกิดจากความหิวกระหาย ของเปรตที่มีอยู่ในสถานที่ที่มีรมแรงและแดดกล้าย่อมไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นพระโมเนีจึงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าเปรตทั้งหลายที่ก็ต้องหิวกระหายกันอยู่เป็นพุทธันดรต่างๆเหล่าเนี้ยนะไม่มีอาหารจะ ก, กินนะั้นนะมาจากชาติที่ทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเกิดแต่เป็นทุกข์ทุกข์ของอสุรกายที่เกิดในโลกการตนรกนะนรกที่เย็นจัดจักไม่มีแก่เขานะถ้าไม่มีการเกิดนะ เพราะมีการเกิดนั่นแหละพุทธเจ้าบอกการเกิดแต่จะเป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นทุกเด็กที่เกิดในครันของมารดาก็เหมือนกับครูฐานะโลกนั่นแหละอยู่ในครันเป็นเวลานานคลอดออกมาย่อมประสบทุกข์ที่รุนแรงมากทุกนี้ย่อมไม่มีถ้าไม่มีความเกิดฉะนั้นความเกิดจึงจัดว่าเป็นทุกตรงเนี้นะถ้าพานนาในเรื่องของความทุกต่างต่างเหล่านี้ท่านบอกมีมากมายนะักมีมากมายเหลือจะขนานนะับ ถ้าพิจารณาในลักษณะงนี้จะเห็นว่าประการที่ความทุกข์ทั้งหลายที่ดังที่ได้กล่าวเนี่ยว่าสัตว์วิบฉ า, านก็สวยทุกข์ยากลำบากถูกแท่สุกตีดังที่ได้กล่าวนับตั้งแต่ปฏิสนธิมาเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ที่เกิดเปตเปตวิสัยต่างๆเนี่ยที่ได้รับที่ว่าจะต้องอดข้าวอดน้ำแล้วเจอแดดเจอลมแรงเนี่ยก็จัดเป็นชาติทุกข์ ตามพุท ธ, ธาอธิบายที่พระเจ้าก็จัดว่าสัตว์เหล่านี้เกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ลักษณะความทุกข์ต่างๆแม้แต่สัตว์นรกเป็นต้นนีนะก็ก็จัดว่าเป็นทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นพอความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ท่านก็นเลยพละนาเห็นว่าความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ท่านให้สอนในวิจัยให้มาพิจารณาให้ไข่ ค, ควรถ้าวิจัยและพิจารณาไข่ครวรเบ็ยดเสร็จเนี่ยพอมีชาติทุกข์ทุกเพราะการเกิดเนี่ยนะ ว่ามันมีปริมาณของความทุกข์มากมายดังที่ได้กล่าวในเรื่องราวต่างๆแม้ในสังสารวัฏต่างๆสัตว์ทุกพบในแสนโกรจักรวาล น, นะในการอุบัติเกิดขึ้นมาของสัตว์เหล่านั้นน่ยก็เริ่มตั้งขึ้นแล้วเห็นกองทุกข์ประการต่อมาที่ท่านตันต ด, วตดว่าตัดถากตมายาเตสังเตสังสัตสตนานังตุมหิตเอ่อตามหิตต้มหิดสัตสตานิกายเชราเชลตาเป็นต้นเหล่านี้ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชราอันใดที่ตถาคตตรัสไว้ในอุเทศวาละ ชรานั้นมีสภาพดังแบบไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายยาชรานว่าชาาอันใดนั้นมีสวะว่าทําให้อินทรีย์ข้ามข้าหรือวิกลวิวิการวิปริษฐ์ต่างๆมีผมงอกฟันหักแก้มตอบผิวหนังหดหูเป็นต้นนะเป็นเกลียวตามืดหนังเหี่ยวแห้งหูก็หนักเนี่ยนะหน้าสมเพศเว ท, เวทนาพระธรรมคดพ่อบรมศาสดาก็ตรัสว่าเป็นชราทุกเพ่อบุคคลทั้งหลายเล็งเห็น มังสะจักขุปนะถ้าเว้นไว้แต่บุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาเนะี่ยก็บอกชราเนี่ยคนไม่ได้ชาติทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะคนก็ไม่ได้เห็นด้วยมังสจาจักสุชราคนก็ไม่ได้เห็นด้วยมังสจาจักสุแต่ผู้ที่อบรมปัญญามาอย่างดีเท่านั้นที่จะพิจารณาเห็นว่าการเกิดแล้วก็การแก่เนี่ยเป็นทุกข์คนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเห็นโดยแท้เปรียบเสมือนกับเพลิงไหม้ป่าแล้วก็ดับไป เพลิงไหม้นั้นไม่ได้ปรากฏที่ไหม้เนาะแต่ฐานและเท่านั้นปรากฏคนที่มีปัญญาเขารู้ว่าสถานที่ตรงนี้เขอไปเลยไหม้แต่คนที่ขาดปัญญาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมฟันหนังเอ็นเนื้อต่างๆเราเนี่ยนะสรีลากงงอเอยตาเอวยก็มัวบ้าง หูก็เริ่มจะหนักไปทุกวันเนี่ยนะานเริ่มทุกคนแลยนะเขา้านะเขา้าเพราหันหลังเรียกไม่ได้ยินนะนะเขา้านะเขา้าทั้งหันหน้า ห, นหันหลังไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมออยังพ อ, ชอใช้ดูปากกันหน่อยนะเขา้านะเขา้าตามืดมัวก็อีกก็อย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่แว่นใช่ไหมนี่ เ, เรื่องชล า, าท่านอย่าไปคิดว่าไม่ชลาเนี่นี่ชาาลาปรากฏดแต่ท่านยังรุนแรงเลยเอ่ะอย่างเงี้ย เนี่ยเขา ช, uh, ชาราปรากฏมากบางคนก็ปรากฏก่อนทั้งตาก่อนทั้งหูก่อนทั้งอะไรก่อนปัจจุบันเนี่ก็ใส่เครื่องช่วยทางหูก็มีเครื่องช่วยหน่อยทางตาก็มีเครื่องช่วยนะอแต่ในสุดท้ายก็เอาอยู่ไหมล่ะก็มันปรากฏขนาดนี้แล้วเนี่ยที่นี่ไม่เห็นชาติเนี่ยไม่เห็นชาติก็เป็นทุกข์ เหมือนไฟไม่ป่าท่านไม่เห็นไฟอ่ะท่านเห็นขี้เท่าท่านเห็นขี้เท่าแล้วก็ไม่เข้าใจว่าขี้เท่าเนี่ยเป็นผลมาจากชาติใช่ไหมไอ้ขี้เท่าเป็นผลมาจากไฟไหม้อัขี้เท่าเป็นผ ล, ผ ล, ผลมาจากไฟไหม้ใช่ไหมทานเป็นผลผลผลมาจากไฟไหม้เมื่อเราจึงเห็น่านเห็นขี้เท่าไอ้ตรงนี้ย สรีระทั้งหลายเนี่ยมันโค้งงอผิวหนังเหี่ยวย่นฟันก็หักตาก็มัวเนี่ยนะหูก็เริ่มตึงเอาที่ผมงอกสติปัญญาก็เลอะเรือนอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าตัวชาติเนี่ยมันผ่านมาแล้วตอนนี้ชาลามันกำลังปรากฏใช่ไหมชาลาปรากฏฉะนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้ว เริ่มเห็นความชราเพราะมาชาตินี่แหละเป็นปัจจัยเพราะการเกิดนี่แหละเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะเล็งเห็นบอกว่าชราทุกนั้นอ่ะหาปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายไม่บุคคลทั้งหลายเห็นผู้ใดผมหงอกก็ดีเห็นฟันหักเป็นต้นเหล่นี้ผิวหนังเหยียวย่นก็ดีเนี่ยตามือตามัวก็ดี ชาราปรากฏเนี่ยก็ให้ทำความเข้าใจยังไงต้องทำความเข้าใจบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นต่างๆเหล่านี้นะมันบ่งบอกถึงว่ามาจากการเกิดฉะนั้นท่านออโอ้ยถ้าไม่มีการเกิดแล้วสิ่งเหล่านี้จะมาจากไหนอะไรเล่าไม่เกิดเอานิพพานใช่ไหม ปณิพานเนี่ยคือไม่เกิดเพราะการเกิดนั่นแหละเราจึงเห็นอะไรพิกลพิการเต็มไปหมดถ้าเห็นด้วยตาเนื้อมังตาสวยธรรมดาเกิดแล้วก็แก่ว่างั้นสายตากสรสั้นหรือนี่มีมีอะไรอุปการะช่วยเหลือเยอะแยะเบีเสด็จมันเห็นเป็นธรรมดาไงธรรมดาแบบตันหาเห็นไงฉะนั้นธรรมดาของตันหาเนี่ยมั น, ม, นมันก็เห็นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สะดุง้งสะเทือนอะไรหรอกแต่ถ้าเราเห็นเหตุหการณ์ต่างๆ น, งนี้ปรากฏเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ย ไหอย่าเห็นด้วยตาเนื้อท่านต้องใช้ตาปัญญาในการไปวิจัยเห็นใช่ไหมในกรณีเนี่ยที่บอกว่าอินทรีย์หย่อนยา น, นยใช่ไหมสิริลักษณ์โค้งงอทั้งหลายนเนี่ยผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่นแล้วก็สรีลัก็โค้งงอหูก็เริ่มตึงใช่ไหมแล้วก็ในกรณีทั้งฟันก็เริ่มจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะไป ทั้งรัชากายก็หน้ารังเกียจเนี่มาจากมันดับไปแล้วในชาติเหมือนไฟไม่ป่าไหมไอ้ไฟไม่ป่าเนี่ยมันหมดไปแล้วจะมันเหลือเท่าแทนมันก็เหลือแต่ฐาน น, นี่ต้องเข้าใจต้องสาวสาวก็ไปถึงปัจจัยก็ได้ว่าปัจจัยมาจากอะไรเป็นต้นโอถ้าหากว่าไม่มีไม่มีเกิดไม่มีเกิดคือการนิพพานเนี่ยเออถ้านิพพานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ประสบสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ย ถ้าพิจารณานเนี่ยใจก็จะน้อมหาลีสัตว์ต้องเริ่มวิจัยเลยเดี๋ยวนี้ยวิจัยเห็นสัจจะคือความจริงเนี้ยเราจะ ม, มัวประมาทยอยู่ทําไมยังไม่ชีวิตเนี่ยถามบอกว่าเราหวังดีตัวกระแสขันท่าไดยตนะที่มันกําลังเป็นไปอยู่ถ้าหวังดีจริงๆเนี่ยทําไมวิธีคิดของเราถึงต้องการจะไปเพิ่มทุกข์ล่ะเราต้องการไปเพิ่มชาติที่ทุกข์นเนี้ยที่วิธีคิดของเราท่านทั้งหลายเนี่ย ที่เรประกอบสุจริตหรือทุจริตกันแต่ละวันแต่ละวันอยู่เนี่ยถ้าเรามีปฏิปทาในการที่จะออกจากถังสารวัตรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นโทษของชาติแต่ถ้าเรามีข้อปฏิบัติในการที่จะประกอบทุจริตบ้างสุจริตบ้างที่เป็นไปในวัตฏะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยไม่ได้หวังดีต่อกระแสขันท่าใดๆนะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจตัวเองเลยเนี่ยเขาเรียกคนไม่เข้าใจชีวิต คนที่ไม่เข้าใจชีวิตเน่ยไม่คิดออกจากวตาจะไปคิดออกยังไงใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจวงจรหรือกระแสของชีวิตที่มันขาดไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปกับความเจ็บปวดถ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้นะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอย่างอย่างชัดเจนนะท่านเริ่มต้องวางแนวทา ง, งชีวิตต้องวางเป้าหมายจริงๆใช่ไหมพวกเราทั้งหลายต้องวางต้องวางเลยถ้าเราไม่คิดที่ถ้าไปเรื่อยๆดนชีวิต หรือใจมันน้อมไปในเรื่องของวัตถุกรรมเรื่องของการมคุณตลอดเวลาดิแล้วในสุดจริงๆเเราเสียหายแน่นอนเจ็บปวดถ้าเรารู้คำสอนเนี่ยต้องรู้ให้จริงแล้วต้องสามารถที่จะมาเข้าถึงโดยการแยกแยะโดยการวิจัยให้ชัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เบื่อหน่ายถ้ามันไม่เบื่อหน่ายมันก็คือวิชาหนึ่งนะ คือวิชาหนึ่งที่เราศึกษาแล้วมันดูเหมือนมีความรู้นั้นแล้วมันได้อะไรใช่ไหมในเข้าในเข้ามันจะไปทําบาปรือวิจิตจไป้ซ้ำไปใช่ไหมฉะนั้นมันจะต้องมันจะต้องสามารถขัดเกลาตัวเองได้จริงๆแล้วก็ต้องวางแนวทางเป้าหมายตัวเองให้ชัดอย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าพอรู้รู้ตรงเนี้ยถ้าเราเริ่มเอะใ จ, จต้องรีบมันเหมือนอย่างเอ้ใช่ไหม ถ้ามันเริ่มต้องต้องรีบเจาะอาอย่างกรณีอย่างเงี้ยทุกเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เราไม่เห็นทุกอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วทำไมโมหะมันแรงใช่ไหยทำไมโมหะมันแรงเรื่อยๆแล้วเห็นคนกำลังประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเห็นโมหะที่กลังปิดบังกระแสขันของสัตว์เนี่ยทำให้สัตว์ไม่เห็นโทษของโมหะเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้ว แล้วสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเราเคยเป็นแล้วจะต้องไปเป็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นถึงที่เรารับรู้ทั้งหลายเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นจำนวนขู่นะแต่เป็นเรื่องจริงๆที่เราจะต้องประสบ <ง Arabic. S 1> นะเป็นเรื่องจริงๆที่เราประสบเราเห็นคนทําชั่วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่พ้นเนี่ยใช่ไหมเรายังไม่พ้นเนี่ยเพราะเหตุก็ความชั่วคือราคะโทสะโมหะแล้วมาราคะโทสะโมหามันยังเต็มกระแสใจเราท่านทั้งหลายเนี่ย ที่เราทําทีทําท่ามันไม่ชั่วเนี่ยก็เพราะมันยังไม่ได้โอกาสชั่วมันยังไม่ได้โอกาสแค่นั้นเองถ้ามันได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไรเนี่ยเราอาจจะวิจิตมากกว่าเขาก็ได้อย่างเงี้ยวิธีคิดในลักษณะอย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าใจอันถึงจะเข้าใจแล้วมันถึงจะน้อมออกจริงๆแล้วก็จะวิจัยในการที่จะเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆริงใช่ไหมที่นิสสัจจคือความจริงต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่การวิจัยจริงๆรนะถ้าเราวิจัยทุกขสัจเนี่ยนะ ได้เห็นจนชัดเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ไล่ตั้งแต่ชาติทุกข์เป็นยังไงชราทุกข์เป็นยังไงพยาธิทุกข์โสกอากาศบริเดวทุกขะโทมนาสาและอุบายญาตเป็นยังไงเนี่ยพอไล่ไปตามลําดับเนี่ยเราจะเริ่มมาวิจัยในเรื่องของทุกข์เนี่ยไ ด, ได้ชัดเจนขึ้นพอเริ่มวิจัยเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยพอเราหลังจากฟังและศึกษาคําสอนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เริ่มฝึกในการที่เอาไปน้อมเอาไปวิจัยเลยรตัวเนี้ยว่าจริงๆแล้วในในมุมของทุกขศาสตร์ที่พระองค์ทรงสอนเนี่ย เป็นมุมของสัทุกขศาสตร์ที่กว้างขวางมากเออไม่ใช่ทุกขศาสตร์ในฐานะที่เป็นเรื่องแคบๆอย่างที่เราเข้าใจเลยนี่นะแต่ว่าเราต้องเข้าใจมุมที่จากการแคบแล้วก็เริ่มขยายไปแล้วก็วิจัยจนเห็นทองแท้จริงๆเนะี่ยว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเราประสบมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็ยังไม่พ้นด้วยนะเพราะสภาพของกรรมที่เราจะต้องทําแล้วจะต้องไปเจอในสิ่งเหล่าเนี้ยอีกมากมายนักเลย ถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องควรคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ใช่เป็นคนทำกุศลมาดีกันเท่าไหร่เพราะเพราะเกิดมาในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกแต่ที่แรกบอกว่าบางยุคบางสมัยเขาเจริญกุศลกันได้สะดวกเพราะสมาธิที่เมื่อเกิดเยอะแต่ยุคเนี่ยเป็นยุคยากถ้ยากแล้วยังไม่พอกิเลสในใจของเราเนี่ยไม่ยอมออกซะอีก เราเห็นเรื่องยุ่งยากต่างๆเนี่ยเราชอบจะไปเป็นคู่กรณีอยู่เลยสังเกต ด, ดีจะเป็นคู่กรณีกับการทำกรรมร่วมกับเขาอยู่เลยเยอะแยะหมดทุกประเภทเลยนะอยู่ข้างๆบ้านเวลาผัวเมียเขาทะเลาะ ก, กันเราก็ยังอยากจะไปร่วมทะเลาะ ก, กับเขาเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่เลยเห็นไหมตัญหาของเราเนี่ยมันเหมือนเราจะจัดการได้มันเหมือนเร า, าเราจะไปจัดการจัดการเลยได้ก็ทุก ชาติทุกต่างๆที่เราจะต้องได้รับเรายังรอบรู้มันไม่ไมทุกอะไรเลยเนี่ยแล้วนคนจัดการทุกไม่ได้เนยใช่ไหมเรายังไม่รอบรู้เขาอย่างแท้จริงแต่ถ้ารอบรู้จริงๆแล้วเบ็ดเสร็จนะกําหนดรอบรู้จริงๆทําปริญญาในทุกขสัตว์ทํายาต่ปริญญาเขาได้ยันชัดเจนจริงๆนะถึงจะไปวิจัยตีแล้วนะปริญญาในทุกเป็นต้นได้อันนี้พักได้ยังก